สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับรายการศึกษาคติชีวิตประหลาดนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอคติและก็ชีวิตของประหลาดนะฮะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนะครับโดยวิธีการอ่านเป็นคําๆนะและก็สะแสดงความคิดเห็นนะครับเท่าที่จําเป็นในฐานะที่เป็นนักศึกษานะครับไม่ใช่ผู้รู้ผมชื่พลเปลี่ยมสมบูรณ์เป็นผู้ดําเนินรายการแนะนํารายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8นย์9ปดเก้ครับ ครั้ น, น, นี่ผมนําเสนอเนื้อหาจากหนังสือที่ชื่อว่าคุรุวิภากคุรุนะครับซึ่งเป็นการเรียบเรียงคําบรรยายของท่านโอโชะผู้นําจิตวิญ ญ, ญาณชาวอินเดียท่านหนึ่งนะครับแล้วก็คุณโตมอนสุขปรีชาเป็นผู้แปลและเรียบเรียงช่วงนี้กําลังนําเสนอชีวิตของคุรุที่ชื่อว่าโซเครตสิสนะครับเขาชื่แล้วนํามาถึงตอนที่ว่าโซเครติสเนี่ยถูกฟ้องนะครับถูกฟ้องโดยชาวเมืองเอเธนส์คนหนึ่งนะเป็นเด็กหนุ่ม นะซึ่งว่ากันว่ามีนักการเมืองนุ้นหลังอยู่นะครับแล้วก็กล่าวโทษโซเครติส3ข้อนะข้อแรกคือโซเครติสไม่เชื่อในเทพเจ้าที่บรรดาชาวเอเธนทั้งหลายเชื่อข้อที่2นะโซเครติสสร้างความเชื่อขึ้นใหม่นะครับแล้วสุดท้ายก็คือโซเครติสทำให้เด็กหนุ่มๆในเอเธนนั้นเสียคนนะเมื่อถึงตรงนี้ครับว่าพอถึงตรงนี้แล้วปรากฏว่าก็ถึงตอนที่ผู้พิพากษาจะต้องพิพากษาโทษนะ ผมนําไปถึงเรล่มที่ตรงนี้ได้ครับบอกว่าไม่มีอาญารกรรมไม่มีข้อหาอะไรกับกับเขาผู้พิพากษาใหญ่กระซิบข้างหูเขาว่าอาญารกรรมของท่านก็คือท่านไม่มีมารยาใดๆข้าไม่อาจกล่าวด้วยเสียงอันดังเพราะข้ารู้ว่าถ้าผู้คนไม่อาจให้อภัยท่านพวกเขาก็จะไม่อภัยข้าด้วยแต่ข้านับถือท่านใหญ่หลวงในความบริสุทธิ์ของท่านข้าไม่อยากให้คนอย่างท่านถูกทําลายไปท่านเป็นข้อยกเว้น ท่านพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถบริสุทธิ์จริงใจมีชีวิตและรื่นเริงได้ข้าจะให้ทางเลือกแก่ท่านสามทางนะคือผู้วักษาเนี่ยฟังเหตุฟังผลไตสวนอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับฟังคณะลูกขุนอะไรทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าโซคิติสไม่มีความผิดอะไรนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่สามารถไม่กล้าพอนะผู้ให้ตรงไปตรงมาคือไม่กล้าพอที่จะตัดสินตามความเที่ยงธรรมของตนได้เพราะกลัวว่า ในเมื่อประชาชนต้องการจะให้โซคอติส so ผิดพุทธศาสน์ก็ไม่รู้ทําไงก็ต้องให้โซคอติสผิดไปด้วยไม่งั้นพุทธศาสน์ก็อยู่เมืองเซเลทนไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะก็เลยให้ทางเรียก3ทางนะครับว่าไม่มีอาญากรรมนะไม่มีข้อหาอะไรกับเขาผู้พิพาสายใหญ่กระซิบข้างหูเขาว่าอาญากรรมของท่านก็คือท่านไม่มีมารยาใดๆนะเป็นคนเสแสร้งไม่เป็นนะครับเป็นคนที่นะพูดอะไรดังที่่างอย่างที่ตะเบงจริงใจพอที่จะพูดนะครับ ข้าไม่อาจากล่าวด้วยเสียงอันดังเพราะข้ารู้ว่าถ้าผู้คนไม่อาจให้อภัยท่านพวกเขาก็จะไม่ให้อภัยข้าด้วยแต่ข้านับถือท่านใหญ่หลวงในความบริสุทธิ์ของท่านนะนับถือใหญ่หลวงในความบริสุทธิ์นะครับข้าไม่อยากให้คนอย่างท่านถูกทําลายไปท่านเป็นข้อยกเว้นท่านพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถบริสุทธิ์จริงใจมีชีวิตและรื่องเริงได้ข้าจะให้ทางเลือกแก่ท่าน3ทางนะพี่กศร า, ารู้ครับบอกว่าอย่างแรกก็คือเอเทนเป็นนครรัฐ นะกฎหมายไม่บังคับใช้นอกเขตเมืองเรื่องง่ายๆก็คือให้ท่านออกไปนอกเมืองท่านจะเปิดโรงเรียนสถา บ, บันการศึกษาได้แล้วคนที่รักท่านก็ไปที่นั่นข้ารู้ว่าคนหนุ่มๆ น, นั้นชื่นชมในตัวท่านอย่างยิ่งหาใช่พวกคนสูงอายุนะครับคือง่ายมากเลยนะเพราะว่ากรีกเนี่ยรวมตัวกันเป็นนะครรัฐเนี่ยเป็นผมจำไม่ได้ว่ากี่ร้อยแห่งนะเยอะจีเดียนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่เป็นเกาะเป็นอะไรต่างๆด้วยนะเยอะ ละเอเทนนั้นเป็นเพียงแค่นครรัฐเดียวและกฎหมายของเอเทนก็บังคับเฉพาะในเอเทนเท่านั้นนะครับออกนอกเอเทนไปก้าวเดียวก็บังคับใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉนั้นเพืศอสาก็แนะนําง่ายๆคือออกไปนอกเมืองสิท่านอยากไปทําอะไรก็ไปทํากฎหมายเอเทนไม่สามารถไปสั่งอะไรท่านได้นะเพราะนั้นอย่างแรกก็คือเอเทนเป็นนครรัฐกฎหมายไม่บังคับใช้นอกเขตเมอเืองเรื่องง่ายๆก็คือให้ท่านออกไปนอกเมืองท่านจะเปิดโรงเรียนสถาบันการศึกษาได้แล้วคนที่รักท่านก็ไปที่นั่น ไม่ต้องมาอยู่ในเอทเอนออกไปที่แค่นอกเมืองเท่านั้นเองข้ารู้ว่าคนหนุ่มๆ น, นั้นชื่นชมในตัวท่านอย่างยิ่งหาใช่พวกคนสูงอายุนะครับคนสูงอายุก็มักจะมีความเชื่อมีอะไรที่ปลูกฝังมาเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงยากนะแต่คนหนุ่มๆที่ยังไม่ได้ถูกอะไรปลูกฝังมากนักเนี่ยฟังนะครับเหตุฟังผลของโซเครติสแล้วก็เชื่อนะครับชื่นชมในตัวโซเครติสในอดีตคนสูงอายุนั้นประชาเป็นประชากรส่วนใหญ่เพราะในเด็ก10คน9คนจะตายภายใน2ปีหลังคลอด แต่ตอนนี้สถานการณ์กลับกันในเด็ก10คนมีเพียงคนเดียวที่ตาย9คนมีชีวิตอยู่เป็นครั้งแรกที่คนหนุ่มสาวเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกแต่ในอดีตไม่เคยเป็นเช่นนี้พวกเขาเป็นคนส่วนน้อยมาโดยตลอดนะอันนี้เป็นการขยายความของท่านโอโชะนะเพราะว่าท่านโอโชเป็นคนยุคเดียวกับเรานะครับท่านเกิดประมาณปีคริสต์ศตวรรษ1930นะครก็ประมาณนี้ครับประมาณ 2,400 นะ73 74อะไรแถวเนี้ยครับผมคิดไม่ทันในะตอนนี้นะประมาณนะีแต่ว่าประมาณ 1,930 นะครับเพราะฉะนั้นและท่านมาเสียชีวิตในตอนปี1990ก็คือ20กว่าปีที่ผ่านมานะซึ่งหมายความว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านบรรยายปีไหนนะแต่ก็อยู่ในช่วงนี้แหละนะบอกว่านี่แหละนะบอกว่าคนสูงอายุนั้นเป็นประชากรส่วนให ญ, ญ่ในตอนนั้นนะครับเพราะว่าในเด็ก10คนเนี่ย9คนจะตายใน2ปีหลังคลอดนะเพราะว่าการแพทย์การอนามัยยังไม่ดีพอนะครับก็เด็กตายเยอะนะแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับกันในเด็ก10คนมีเพียงคนเดียวที่ตายใช่ไหมครับก็เรียกว่า การคลอดลูกก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยมากแล้วนะสมัยนี้9คนมีชีวิตยอยู่เป็นครั้งแรกที่คนผู้หญิงเป็นประชากส่วนใหญ่ของโลกนะครับมาถึงยุคของพวกเรานี้แต่ในอดีตนั้นไม่เคยเป็นเช่นนี้พวกเขาเป็นคนส่วนน้อยมาโดยตลอดผู้พิพากษาใหญ่กล่าวว่าท่านเพียงแต่ออกไปนอกเมืองโซเครติสกล่าวว่านั่นจะเป็นความคลาดถ้ายังมีความตายอยู่มันก็ต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็วข้าอายุมากพอแล้วแต่ข้าไม่อยากให้คนรุ่นหลังจดจําว่าโซเครติสหนีออกนอกเอเธนเพราะกลัวตายให้อภัยข้าเถิด ค่านี้ไปนอกเอเธนไม่ได้นะเงื่อนไขข้อแรกโซเครติสไม่รับนะครับไม่รับตอนนี้ค่ายุพอหกสิปีแล้วนะครับเจ็ดนะปีนะเจปีแล้วนะ บ, บอกว่าค่านะครับไม่เอานะถ้าใช้เดียวไปนอกเมืองเพราะว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนหนีความตายอยู่ที่ไหนก็ตายนะครับแต่ถ้าตายอย่างคนขลาดไม่เอานะครับไม่เลือกผู้ว่าสายใหญ่กล่าวว่าท่านเพียงแต่ออกไปนอกเมืองนะไม่เด้ยากอะไรเลยนะครับเอกไปนอกเมืองโซเครติสกล่าวว่านั่นจะเป็นความขาดปัญาของโซเครติสคือไม่สามารถที่จะ มีชีวิตอยู่อย่างคนขลาดได้นะครับถ้ายังมีความตายอยู่มันก็ต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็วข้าอายุมากพอแล้วนะเชอร์ติเคยกล่าวแล้วว่าข้าไม่สงสัยอะไรในโลกนี้แล้วนะสิ่งที่ข้าสงสัยกับเป็นเรื่องหลังความตายมากกว่านะประสบการณ์ในโลกข้าหมดความสงสัยไปแล้วนะครับแต่ข้าไม่อยากให้คนรุ่นหลังจดจําว่าโชอร์ติสหนีออกนอกเอเทนเพราะกลัวตายนะอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับเห็นแบบอย่างชีวิตของความเป็นครูที่รับไม่ได้นะครับเอ้ย ยอมเสียสละนะเพราะเพื่อจะรักษาชีวิตนะครับคงไม่ใช่นะสุขติตยอมเช่นนั้นไม่ได้ให้อภัยข้าเถิดข้าหนีไปนอกเอเธนไม่ได้นะนั่นข้อเสนอข้อที่หนึ่งปัดทิ้งไปนะครับเพื่อภาษาใหญ่กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งง่ายๆอย่างที่สองก็คือท่านหยุดสอนอยู่ในเอเธนแต่อย่าพูดเรื่องความจริงของท่านและอย่าสอนผู้คนเรื่องความจริงใจและสิ่งแท้จริงนะดูเหมือนดูมืนสิ่งที่สองนี่จะหนักกว่าสิ่งแรกนะครับนะมัน ผู้อาสาเสนอข้อที่สองว่านะครับไม่อยากออกนอกเอเทนก็หยุดพูดนะครับหยุดพูดผู้อาสาใหญ่กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งง่ายๆอย่างที่2ก็คือให้ท่านหยุดสอนนะอยู่ในเอเทนนะอยู่ไปแต่อย่าพูดเรื่องความจริงของท่านนะครับรู้อะไรก็นะก็อย่าพูดนะครับอยู่เฉยๆซะและอย่าสอนผู้คนเรื่องความจริงใจและสิ่งแท้จริงนะคือชาวเมืองก็จะพูดอะไรเขาจะยิ้ อ, อะไรก็ปล่อยเขาไปนะครับเราวางเฉยซะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะโชคคฤติกล่าวว่า ท่านกาลังขอให้ข้าทําสิ่งที่ข้าทําไม่ได้อะไรคือเป้าหมายในการดํารงชีวิตของข้าถ้าข้าไม่อาจเบ่งบานสู่ศักยภาพอันสมบูรณ์ได้เมื่อต้นไม้ออกดอกก็ต้องมีดอกไม้และกลิ่นหอมของมันก็ต้องไปถึงคนที่รับรู้ได้ข้าจะยังคงพูดและข้าจะยังคงสนทนาถึงความจริงข้าจะยังคงปลุกเร้าผู้คนให้ไร้มารยาไม่กลายเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกกับสิ่งที่เรียกกันว่ า, าศาสนานะครับ นี่ตัวสกอตติสก็บอกถึงข้อที่2องเาบอกเป็นไปไม่ได้นะที่ข้าอุตส่าห์มีชีวิตยอยู่นี่ก็เพื่อเตรียมเถือแพร่ความจริงนะถ้าให้หยุดพูดอยู่ในเอเทียนได้แต่ให้หยุดพูดนะครับก็ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะกล่าวว่าท่านกําลังขอให้ข้าทําสิ่งที่ข้าทําไม่ได้อะไรคือเป้าหมายในการดํานิชีวิตของข้านะครับถ้าข้าไม่อาจเบ่งบานสู่ศักยภาพอันสมบูรณ์ได้เมื่อต้นไม้ออกดอกก็ต้องมีดอกไม้และกลิ่นหอมของมันก็ต้องไปถึงคนที่รับรู้ได้ ข้าจะยังคงพูดยืนยันยืนกรานนะครับไม่รับเงื่อนไขและข้าจะยังคงสนทนาถึงความจริงไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะครับพูดถึงเรื่องความจริงข้าจะยังคงปลูกเร้าผู้คนให้ไร้มารยาไม่กลายเป็นพวกหน้าไหว้หลังหลอกกับสิ่งที่เรียกกันว่าศาสนา น, นี่คือปัญหาใหญ่นะครับแต่เดี๋ยสมัยไหนสมัยไหนนะครับสายโชกเกติสที่ขาชัดเจนมีคนที่หน้าไหว้หลังหลอกกับเรื่องศาสนานะครับชัดเจนนะครับเพื่อแก้าใหญ่กล่าวว่า ถ้าอย่างนั้นข้าก็จนปัญญาทางเลือกที่สก็คือท่านต้องรับยาพิษเพราะเสียงส่วนใหญ่แม้จะหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้แต่ก็กล่าวว่าถ้ามีท่านอยู่ด้วยก็เสื่อมเสียถ้าท่านอยู่ท่านจะทำลายพวกคนหนุ่มการดํารงอยู่ของท่านทําให้คนหนุ่มหนุ่มหันเหจากวิถีเก่าตามเส้นทางของคนโบราณการดํำรงอยู่ของท่านทําให้คนเป็นปัจเจกทําให้พวกเขากล้าจะเป็นอิสระและยืนหยัดลําพังแม้จะต้องต่อต้านกับสังคมทั้งหมด นะครับผู้อาวุโก็บอกว่าถ้าไม่นะไม่ออกนอกไอเทนนะครับไม่หยุดสอนสุดท้ายก็นะไม่มีทางอื่นนะครับท่านก็ต้องตายนะครับท่านก็ต้องตายผู้อาวุโใหญ่กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็จนปัญญานะครับไม่มีทางอื่นให้อีกแล้วทางที่3าก็คือท่านต้องรับยาพิษนะครับสมังนั้นก็นะผมไม่แน่ใจว่ามีโทษอะไรบ้างนะครับที่จะทำให้คนตายได้นะวิธีไหนในการประหารบ้างเพราะยุคหลังๆมานี่ยเขาไม่จะใช้วิธีการตัดคอนะครับใช้ใช้มีดตัดนะแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยบอกว่ารับยาพิษนะครับ เพราะส่วนใหญ่แม้จะหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้แต่ก็กล่าวว่าถ้ามีท่านอยู่ด้วยก็เสื่อมเสียนะคนที่เผยแพร่จากความจริงเนี่ยนะครับอยู่ด้วยแล้วทาให้สังคมเสื่อมเสียนะฮะท่านถ้าท่านอยู่ท่านจะทําลายพวกคนหนุ่มการดํารงอยู่ของท่านทําให้คนหนุ่มหนุ่มหันเหจากวิถีเก่าตามเส้นทางของคนโบราณนะที่เขาเชื่ออะไรมาร้อยแปดนะครับเชื่อเทพเจ้ า, 108, าร้อแปดมาเนี่ยนะพอต่อไปคนไม่เชื่อนะครับก็ทําให้นะครับ ทำให้คนเห็นเหตจากวิธีเก่าตามเส้นทางของคนโบราณการดำรงอยู่ของท่านทําให้คนเป็นปัดเจกนะคือไม่ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปนะครับฟังสังคมเสมอไปนะทำให้พวกเขากล้าจะเป็นอิสระและยืนหยัดลําพังแม้ต้องต่อต้านกับสังคมสังคมทั้งหมดก็ตามนะเพราะว่าท่านซิโรราบต่อความจริงนะครับแทนสังคมทั้งหมดก็ไม่มีความหมายนะโซเวีติสกล่าวว่าไม่มีปัญหาอะไรกับยาพิษข้ารับได้ข้าตายลงด้วยเหตุอันงดงาม ข้ามีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติและตายลงด้วยเกียรติที่สูงส่งกว่านะครับโจคิต so ิ้ก็ตอบรับนะครัเอาเงื่อนไขข้อที่3นี่แหละนะไม่มีปัญหาอะไรกับยาพิษนะครับข้ารับได้นะรับได้ข้าตายลงด้วยเหตุอ น, นุตกงามนะเพราะได้พูดความจริงจนตายนะครับนั่นถือเป็นเหตุอ น, นุตกงามนะไม่ใช่ตายเพราะว่าไปทําทุจริตอะไรไว้นะครับข้ามีชีวิตอยู่อย่างมีเกียรตินะก็อยู่กับความจริงมาตะลอดและตายลงด้วยเกียรติที่สูงส่งกว่านะคือยอมตายนะครับแม้กระทั่งว่าเพื่อจะรักษาความจริงก็ยอมตาย มีรายงานว่าโซคิติสได้กล่าวว่าเมื่อข้ายังหนุ่มข้าคิดว่ารู้ทุกสิ่งเมื่อข้าเริ่มโตขึ้นข้าตระหนักว่ามีเรื่องอีกมากที่ข้าไม่รู้เมื่อข้าเริ่มแก่ชราลงข้าพิศวงเพราะข้ารู้น้อยกว่าสมัยยังหนุ่มและบัดนี้ข้ายิ่งรู้น้อยลงน้อยลงทุกๆวันและท้ายที่สุดก่อนจะตายโซคิติสกล่าวว่าข้าไม่รู้อะไรเลยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะทาให ครับพวกเราทั้งหลายสังวรกันให้มากๆเลยนะเพราะว่าเราเ <c oughs> มื่อประสบความสำเร็จในอาชีพใดอาชีพหนึ่งเนี่ยนะครับคนเรามักจะคิดว่าตัวเองรู้ไปซะทุกเรื่องนะซึ่งตรงนี้นะครับผู้รู้อย่างสโสเครติสกับรู้สึกว่าสมัยหนุ่มเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้เยอะนะแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นรู้สัจจะมากขึ้นรู้ความจริงมากขึ้นกับพบ ว, ว่าตัวเองรู้น้อยลงน้อยลงพอใกล้ตายกับพูดว่าข้าไม่รู้อะไรเลย มีรายงานว่าโซเครติสได้กล่าวว่าเมื่อข้ายังหนุ่มข้าคิดว่ารู้ทุกสิ่งเลยนะไม่เวนเลยนะบอกรู้ทุกสิ่งเลยเมื่อข้าเริ่มโตขึ้นข้าจะหนักว่ามีเรื่องอีกมากที่ข้าไม่รู้เมื่อข้าเริ่มแก่ชราลงข้าพิศวงเพราะข้ารู้น้อยกว่าสมัยยังหนุ่มและบัดนี้ข้ายิ่งรู้น้อยลงน้อยลงทุกๆวันและท้ายที่สุดก่อนจะตายเขากล่าวว่าข้าไม่รู้อะไรเลยในวันที่เขาพูดว่าข้าไม่รู้อะไรเลยในกรีกนั้นมีวิหารแห่งหนึ่งในเมืองเดลฟี มีเทพพยากรณนะ์อยู่ในวิหารนั้นมีการพยากรณ์เรื่องต่างๆด้วยวิธีการเข้าส่งในวันที่โซเครติสกล่าวว่าข้าไม่รู้อะไรเลยวันเดียวกันเวลาเดียวกันในเดลฟีเทพพยากรณ์ก็ประกาศว่าโซเครติสเป็นมนุษย์ที่ชาญฉลาดที่สุดในโลกนะอันนี้ก็พยายามที่จะเรียกว่าอะไรครับจะพยายามเล่าให้มันเป็นเป็นอะไรที่จะออกจาก ดูขลังขึ้นมานะครับแต่บางก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ดูขลังมากขึ้นว่าในวันที่เขาพูดว่าข้าไม่รู้อะไรเลยนั้นเนี่ยนะในกรีกนั้นมีวิหารแห่งหนึง่งในเมืองเดลฟีมีเทพพยากรณ์อยู่ในวิหารนั้นมีการพยากรณ์เรื่องต่างๆด้วยวิธีเข้าส่งนะครับใช้วิธีเข้าสรงในการพยากรณ์นะในวันที่โซเครติตกล่าวว่าข้าไม่รู้อะไรเลยนะครับวันเดียวกันและก็เวลาเดียวกันด้วยนะระบุถึงเวลาเลยนะว่าในเดลฟีเทพพยากรณ์ก็ประกาศว่าโซเครทิตนั้นเป็นมนุษย์ที่ฉลลาดดทสุในโก ผู้คนที่มาจากเอเธนเพื่อฟังเทยพยยากรรีบรุดกลับไปแจ้งแก่โซเครติสเพราะเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่เทยพยยากรไม่เคยกล่าวเช่นนี้กับใครมาก่อนคนที่ชัฉลาดที่สุดในโลกเมื่อพวกเขาแจ้งแก่ so crates. So crates โซเครติสโซเครติสหัวเรากล่าวว่าข้าเคยเป็นอย่างนั้นเมื่อตอนที่ข้ายังเป็นหนุ่มอยู่เมื่อข้ายังเป็นคนยะโสโอหังเมื่อข้าช่างอวดดีบัด น, นี้ข้าไม่รู้อะไรเลยโซเครติส so ไม่รับครับไม่รับคําทํานายของเทยพยยากรนะ บอกว่าผู้คนที่มาจากเอเทนเพื่อฟังเทพยากรรีบรุดกลับไปแจ้งแก่โซเครติสตนะเพราะเป็นจิติที่ยิ่งใหญ่นะครับเทพยากร์ซึ่งคนเชียร์กันทั้งเมืองเนี่ยนะครับทำนายบอกว่าโซเครติสนั้นเป็นมนุษย์ที่ชันฉลาดที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่ชันฉลาดที่สุดในเอเทนนะบอกว่านะครับเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่เทพยากรไม่เคยกล่าวเช่นนี้กับใครมาก่อนแสดงว่าโซเครติสตเป็นคนแรกนะครับที่เทพายากรแต่เทพายากรเช่นนั้นนะครคนที่ชันฉลาดที่สุดในโลกเมื่อพวกเขาแจ้งแก่โซเครติสนะโซเครติสหัวเรากล่าวว่าข้าเคยเป็นอย่างนั้นนนนนตออที่่่ายยังเป็หุมูะ เมื่อข้ายังเป็นคนยะโสโอหังนะครับตอนที่เป็นหนุ่มนะก็วิจารณ์ตัวเองว่าตอนนั้นน่ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองรู้ไปหมดเพราะไม่ได้รู้จริงหรอกแต่คิดว่าตัวเองรู้เพราะความยะโสโอหังเมื่อข้าช่างอวดดีบัดนี้ข้าไม่รู้อะไรเลยแต่ผู้คนบอกว่าเทพยากรไม่เคยผิดพวกเขากลับไปเดลฟีและรายงานว่าคราวนี้ท่านผิดเสียแล้วเพราะว่าโซเครติสเองปฏิเสธเขาบอกว่าข้าไม่รู้อะไรเลยนะ ท่าน ผ, ผู้คนบอกว่าเทพยากรไม่เคยผิดนะครับก็เลยต้องกลับไปหาเทพยากรนะเพื่อเพื่อแจ้งว่าโซคิติสไม่ยอมรับนะครับรนะายงานว่าคราวนี้ท่านผิดซะแล้วแหละพ่อโซคิติสเองปฏิเสธเขาบอกว่านะข้าไม่รู้อะไรเลยเทพยากรหัวเราะและกล่าวว่านั่นคือเหตุผลที่ข้าประกาศว่าเขาเป็นผู้ที่ชารฉลาดที่สุดในโลกมีเพียงผู้ชารฉลาดที่สุดในโลกเท่านั้นที่กล้าหานจริงใจและทอมตัวจนประกาศว่าข้าไม่รู้อะไรเลยได้นะครับดันั้นเทพยากรก็ให้เหตุผล กับคนตอบไปว่านะครับนนคือเหตผลที่ข่าประกาศว่าเขาเป็นผู้ที่ชันฉลาดที่สุดในโลกนะเพราะว่ามีแต่ผู้ชันฉลาดที่สุดในโลกเท่านั้นที่กล้าหาญนะจริงใจนะครับเดียวก็ทั้งสามารถถ่มตัวจนประกาศว่าข้าไม่รู้อะไรเลยได้นะคำว่าถ่มตัวในที่ที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคือในภาษาจีในใช้คําว่า humble แต่ผมไม่แน่ใจในภาษากรีกใช้อะไรนะครับเพราะว่าคําว่าถ่มตัวเนี่ยในความหมายที่แท้จริงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะมันเพราะว่าคนที่ ที่อยู่กับความจริงเนี่ยก็มักจะพูดแค่ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะไม่ได้ยกตนไม่ได้ถ่มตนเพียงแต่พูดตามความจริงเท่านั้นเองนะแต่ในที่นี้แปลปว่าถ่มตัวนะครับว่าเทพยกรหัวเราะและกล่าวว่านั่นคือเหตุผลที่ข้าประกาศว่าเขาเป็นผู้ชาญฉนะที่สุดในโลกมีเพียงผู้ชาญฉนะที่สุดเท่าในโลกทนั้นที่กล้าหานจริงใจและถ่มตัวจนประกาศว่าข้าไม่รู้อะไรเลยได้โซเครติสไม่เคยทํำสิ่งใดให้เราพูดได้เลยว่าทำเพราะความอวดดีหรือโกรธหรือลิสยาโซเครติสไม่เคยรับตําแหน่งสาธารณะใดๆ นะไม่เคยสนใจในอํานาจทางการเมืองใดๆไม่เคยโกรธใครเลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะมีหลายเขาเรียกว่า อ, อะไรสมัยนี้มันใช้เวอร์ชั่นจมติดปากด้วยนะมันคือมันก็มีหลายหลายตำรานะครับหรือหลายผู้แต่งหรือหลายผู้เล่าก็แล้วกันนะเหมือนกับว่าสุคริติ์เคยเคยเป็นรู้ที่สมาชิกนะครับของเอเธนส์เหมือนกับว่านะในบางบา ง, บางผู้แต่งบางตําราว่าอย่างนั้นนะแต่ในที่นี้ทนโชัวบอกว่าสุคริติ์ไม่เคยทาสิ่งใดให้เราพูดได้หรือว่าทำเพราะความอวด ด, อดีหรือโกรธหรือลิสยานี่น่าจะเป็นประเด็นสําคัญ ก็คือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้ทำเพราะอวดดีไม่ได้ทำเพราะโกโรธหรือทำเพราะลิษยานะไม่เคยรับตําแหน่งสาธารณะใดๆนะครับไม่สนใจในอํานาจทางการเมืองใดๆนะไม่เคยโกโรธใครเลยมีเรื่องเล่าถึงภรรยาของเขาเธอคงต้องเป็นคนร้ายกาจจริงๆแต่บางครั้งก็เป็นไปได้ที่คนดีๆอย่างสุกรษฎีจะได้จะได้กับผู้หญิงร้ายกาจเป็นเรื่องแปลกแต่บางทีอาจเป็นเรื่องของสมดุลบางอย่างบางทีอาจมีเพียงโสุกรษฎีเท่านั้นที่ทนผู้หญิงคนนี้ได้ ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีผู้ชายอื่นใดใช้ชีวิตกับเธอได้แม้เพียงวันเดียวเธอเคยทุบตีโซโครติสแต่เขานั่งอยู่เฉยๆนะครับภรรยาของคนที่นะที่ดีมากๆแต่ก็้าก็เป็นได้ภรรยาที่ร้ายมากๆนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะยุคหลังๆก็มีนะครับมีตอนสตอยนะภรรยาก็น่าดูชมเหมือนกันนะถึงขนาดตอนสตอยต้องหนีไปนอนตายที่สารใรถไฟ เพรเบื่อภรรยาเต็มทนนะครับตอนที่เป็นสมัยทุนนิยมด้วยกันนะเป็นท่านเขาตอนสตอยก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะพะอยู่ในทรัพย์สินทรัพย์สินคทรัพย์สินทรัพย์สินค้าทั้งหลายแต่พอตอนสตอยเริ่มเห็นสัจจะตอนอายุห้กว่าเนี่ยนะครับเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปที่สุดภรร ย, ยารับไม่ไหวนะก็คงมีปากมีเสียงกันจนที่สุดตอนสตอยลำคาญจัดกนะ็ก็ไปนะครับออกนอกบ้านแล้วก็ไปตายที่ซานยูธไฟอีกคนนึงก็คืออับราฮัมดินคอนนะดินคอนนี่ก็ เป็นคนที่นะครับรับใช้ประชาชนนะแต่ภรรยานี่ก็รับใช้ตัวเองมากเกินนะครับแต่ก็นะก็ทนอยู่กันไปได้ครับแต่ว่าก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากในลนักษณะเดียวกันนี้คือไม่เรกรงใจสามีทั้งที่สามีคทำในสิ่งที่ดีงามแต่ภรรยาก็เอาแต่ใจตัวเยอะนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ก็นะครับไม่เหมือนกัสตูนะฮะกัสตูบาดีนะครับภรรยาของท่านคาร์ทีนี่เดินตามรอยแทบจะทุกฝีก้าวนะมีปากมีเสียงบ้างแต่ก็เป็นเป็นภรรยาของคนตะบันออกนะครับก็จะเชื่อฝั่งสามีมากนะ บอกว่ามีเรื่องเล่าถึงภรรยาของเขาแต่เธอคงต้องเป็นคนร้ายกาจจริงๆแต่บางครั้งก็เป็นไปได้ที่คนดีๆอย่างโซเครติสจะได้รับได้กับผู้หญิงร้ายกาจนะโซเครติสแต่งงานอายุเยอะแล้วนะครับนะรู้สึกอยประมาณร่วม40แล้วนะเป็นเรื่องแปลกแต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของสมดุลบางอย่างบางทีอาจมีเพียงโซเครติสเท่านั้นที่ทนผู้หญิงคนนี้ได้ข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่มีผู้ชายอื่นใดใช้ชีวิตกับเธอได้แม้เพียงวันเดียวขนาดนั้นเลยนะเธอเคยทุบตีโซเครติส นะแต่เขาเนื่องอยู่เฉยๆสุคริติเป็นคนแข็งแรงนะครับนะเป็นทหารนะเคยถูกกระทาำเป็นคนที่บึกบึนเป็นคนที่เดินเท้าเปล่าในชิมะได้คนเดียวในกองทหารนะครับแต่ว่ายอมให้ภรรยาทุบตีได้นะครับโดยที่นั่งอยู่เฉยๆถ้าลูกศิษย์ของเขาถามนะสุคริติก็จะตอบว่ามันเป็นปัญหาของเธอเธอโกรธแล้วจะให้ข้าทําอย่างไรมันเป็นปัญหาของเธอเธอมีความทุกข์จากความทุกข์และโกรธเกรี้ยวเธอเลยบรรดานโทสาออกมา ข้าเพียงแต่บังเอิญนั่งอยู่ใกล้ๆเธอก็เลยทุบตีข้าแต่นั่นเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่เรื่องที่ข้ากังวลนะครับเป็นคําตอบที่สวยงามนะครับใครจะทําไม่ดีก็เรื่องของเขานะเป็นปัญหาของเขาที่ทําไม่ดีนะครับไม่ใช่ปัญหาของเรานะโสกริติท่านไม่รับมาเป็นปัญหาของท่านนะครับถ้าลูกศิษย์ของเขาถามโสกริตก็โสกริติก็จะตอบว่ามันเป็นปัญหาของเธอเธอโกรธแล้วจะให้ข้าทําอย่างไรนะมันเป็นปัญหาของเธอ นะครับก็อย่างที่เรารู้ ก, กันนะครับบางทีพ่อแม่ก็อบรมแล้วนะครับสามีก็อบรมแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครูบาอาจารย์ก็อบรมแล้วแต่เขาเป็นอย่างเป็นของเขาอย่างนั้นน่ยนะครับไม่เป็นปัญหาของเขาอะนะครับเธอมีความทุกข์จากความทุกข์และโกรธเรี่ยวเธอเลยบันดาโทสะออกมาฆ่าเพียงแต่บางเงินนั่งอยู่ใกล้ๆเธอก็เลยทุบตีฆ่าแต่นั่นเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่เรื่องที่ข้ากังวล น, นะครับไม่มีปัญหาเลยสาหรับโซเครติสวันหนึ่งเมื่อเขากําลังสอนลูกศิษย์อยู่เธอโกรธเข้ามา เพมีเรื่องหนึ่งที่เธอไม่ชอบใจอย่างมากคือเขาเอาแต่สอนเรื่องความจริงอิสรภาพและไม่ให้เวลากับเธอพอคนทุกประเภทมาจากที่ห่างไกลคนเหล่านี้เป็นคนแปลกหน้าและเขาก็เสียเวลากับคนแปลกหน้าคนที่ไม่น่าสนใจเลยเธอนั่งอยู่ตรงนั้นเดือดจัดเธอเป็นภรรยาของเขาแต่เขาไม่ได้สนใจเธอมากนักก็มาถึงวันวันหนึ่งนะฮะที่นะครับที่ว่า สุขุพิธิให้เวลากับคนคนอื่นนะครับซึ่งมาคุยกันเรื่องความจริงเนี่ยแต่แตว่ากับคนในครอบครัวอย่างภรรยาของตัวเองกับไม่ให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งเมื่อเขากําลังสอนลูกศิษย์อยู่เธอกโกรธเข้ามาเพราะมีเรื่องหนึ่งที่เธอไม่ชอบใจอย่างมากคือเขาเอาแต่สอนเรื่องความจริงอิสระภาพและไม่ให้เวลากับเธอพอคนทุกประเภทมาจากที่ห่างไกลคนเหล่านี้เป็นคนแปลกหน้าและเขาก็เสียเวลากับคนแปลกหน้าคนที่ไม่น่าสนใจเลยนะครับ เธอนั่งอยู่ตรงนั้นเดือดจัดนะเธอเป็นภรยาของเขาแต่เขาไม่ได้สนใจเธอมากนะักนะนี่คือความความรู้สึกของภรรยาครับนี่คือเรื่องที่ผู้หญิงทั้งหมดในโลกชอบบนเป็นปกติว่าสามีชอบไปเล่นมารุกกับใครบางคนนะด้วยความสนใจมากกว่าไปสูบซิ ก, ก้าอย่างรื่นรมนะอ่านนิติปิมเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าภรรยากําลังตะโกนเรียกแต่เขากลับไม่ฟังสิ่งที่เธอเรียกนะที่เธอพูดเขาแค่บอกว่าตกลงตกลงไม่ว่าเรื่องไหนเขาขึ้นเตียงแล้วก็นอนกลบนทันทีแล้วนี่กับคนแปลกหน้า ท่านโอโช่คงเอาเอาบรรยากาศของยุคนี้ครับยุคเซนต์วัตที่20่สนะของท่านเนี่ยนะครับมามาเล่าเพราะท่านเสียชีวิตไปก่อนขึ้นเซนต์วัตที่21นะวันเนี้ยครับบอกว่าเป็นเรื่องผู้หญิงทั้งหมดในโลกชอบบนเป็นปกตินะว่าสามีเนี่ยชอบไปเล่นหมากรุกกับใครบางคนด้วยความสนใจมากกว่าคือให้ความสนใจสิ่งอื่นๆมากกว่าภรรยา น, นั่นเองไปสูบซิ ก, ก้าอย่างรื่นรมนะครับอ่านนิติสารเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าภรรยากําลังตะโกนเรียกแต่เขากลับไม่ฟังสิ่งที่เธอพูด เขแคบกว่าตกลงตกลงนะครับรับปากไว้อย่างนั้นเองนะไม่ว่าเรียงไหนศสล้วพอขึ้นเตียงแล้วก็นอนกลมทันทีนะครับแล้วนี่กับคนแปลกหน้านะภรรยาของโซเครติสจึงยกน้ําเดือดเข้ามาเธอเตรียมชงชาอยู่แต่โซเครติสไม่ได้ลุกขึ้นจากวงถกเถียงการถกเถียงดําเนินต่อไปนานขึ้นเรื่อยๆจนเวลาน้ําชาผ่านไปแล้วถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วเธอเข้ามาด้วยอาการโกรธจัดแล้วเทการน้ําร้อนลงบนศรีรษะของโซเครติสใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาถูกลวก ทำให้เกิดแพลเป็นไปตลอดแต่เขาก็ยังถกเถียงต่อนะครับกลายเป็นว่าน้ําเดือดที่ราดลงไปนั้นไม่ทําให้สุกรษฎีสนะครับปรับรู้สึกจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆนะคือทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับบอกว่าภรรยาของสุกรษฎีสนั้นยกน้าเดือดเข้ามาเธอเตรียมชงชาอยู่แต่สุกฤษฎีสไม่ได้ลุกขึ้นจากการถกเถียงการถกเถียงดําเนินต่อไปนานขึ้นเรื่อยๆจนเวลาน้าชาผ่านไปแล้วนะชงน้ําชาให้ก็นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้เสิร์ฟทันทีนะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว เธอเข้ามาด้วยอาการโกรธจัดแล้วเทการน้ําร้อนลงบนศีรษะของโซเครติสใบหน้าครึ่งหนึ่งของเขาถูกลวกทําให้เกิดแผลเป็นไปตลอดแต่เขาก็ยังถกเถียงต่อทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างตกใจพวกเขาลืมหมดสิ้นว่ากําลังเถียงกันเรื่องอะไรแต่โซเครติสพูดต่อพวกเขาถามว่าท่านยังจําเรื่องที่เราคุยกันได้อยู่อีกหรือ นะครับทุกคนตกใจจนกระทั่งลืมไปครว่ากําลังถ ก, กเรื่องอะไรอยู่นะแต่โซคุทิสบอกว่านะครับไม่มีปัญหาอะไรนะบอกว่าทุกคนที่นั่นอยู่ตกใจครับลืมหมดทิ้นว่ากําลังถกกันเรื่องอะไรอยู่แต่โซคุทิสพูดต่อพวกเขาถามว่าท่านยังจาเรื่องที่เราคุยกันได้อยู่อีกหรือโซคุทิสตอบว่าจําได้สิก็นี่เป็นปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของข้าดังนี้ชายคนนี้จึงไม่มีความโกรธในตัวเขาไม่มีความโอหังอวดดีไม่มีความปรารถนาจะพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนเหนือคน ไม่เคยมีการกล่าวว่าเขาเป็นมากกว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็คือก็ถกต่อนะครับเขาตอบว่านะครับจำได้นะพูดกันเรื่องอะไรก็ถกกันต่อไปนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันเป็นปญหาของเธอนะครับเขาก็บาดเจ็บนะแต่เขาบอกว่าการบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเขาเขาก็เขาก็ทนได้นะครับแค่นี้เขาทนได้นะแต่ปัญหาของเธอก็คือเธอโกรธเกี่ยวแล้วก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรเนี่ยเป็นปัญหาของเธอนะไม่ใช่ปัญหาของข้าดังนี้ชายคนนี้จึงไม่มีความโกรธในตัวเขาไม่มีความโอหังอวดดี ไม่มีความปัฒนาจะพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนเหนือคนไม่เคยมีการกล่าวว่าเขาเป็นมากกว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จบนะว่าด้เรื่องโ o so c r a ติสครั้งต่อไปเนี่ยผมจะนำเสนอนะหนังสือนะครับที่ชื่อว่าดูไทโฟนะครับดูไซดูไทโฟเนี่ยนะครับเป็นบทสนทนาของเพลโตนะคือโซเครติสเนี่ยนะครับตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่ได้นะไม่ได้เขียนหนังสือไว้เลยแม้แต่เล่มเดียว การถ่ายทอดคําสอนของโซเครติสเนี่ยผ่านทางเพลโตกับลูกศิษย์คนสองคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะเกือบทั้งหมดมาจากเพลโตและเพลโตเนี่ยก็เขียนคําสอนของโซเครติสออกมาในรูปของบทสนทนานะครับเพราคติสจะสอนผู้คนในเชิงของการสนทนานะครับคือการหาให้เหตุผลหาเหตุผลนะครับโซเครติสจะไม่ได้บอกคําตอบสุดท้ายให้เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะไม่ได้บอกเลยด้วยซ้ําไปนะแต่ท่านจะพยายามให้ผู้คนคิดว่าสิ่งที่คิดอย่างนี้เนี่ยใช่หรือไม่ใช่ท่านพยายามยกตัวอย่าง นะครับยกเหตุผลต่างนานาเพื่อให้เขาชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกนั้นใช่หรือไม่ใช่นะครับซึ่งก็จะต้องมาต่อในข่าวหน้านะ่อ่ว่านะครับบทสนทนาของเพลโตนะว่าด้วยเรื่องยูไทรโฟครับวันนี้ก็พอสมควรกันเวลาครับพบกันข่าวหน้าครับช่วยกันแปลขยะเป็นบุญสัตว์ุนบุญนิยมทีวีครับขอบพระคุณครับเจริญทําครับ